บทที่สครูร้อยช่างครูร้อยช่างมานั่งแถวหน้าแล้วกราบสมภารอีกครั้งหนึ่งพูดเสียงดังฟังชัดว่าดิฉันจะพาหลานชายมาจำภาษาที่วัดนี้ค่ะท่านกรุณารับไว้ได้หรือไม่เขาลือกันว่าสมภารวัดนี้ท่านเป็นนักพัฒนาดิฉันก็อยากให้หลานชายมาอยู่กับท่านและจะบวทที่วัดไหนล่ะ สมภารถามรู้สึกตะขันตะครอร้อนร้อนหนาวหนาวกลัวครูร้อยช่างจะจําท่านได้วัดกุดีทองค่ะบวชที่วัดนั้นและมาจาพรรษาที่วัดนี้จะได้เรียนกรรมฐานกับท่านด้วยเขาเป็นหลานผู้ชายคนเดียวของตระกูลค่ะเป็นลูกชายคนเดียวของน้องชายดิฉันน้องชายของดิฉันเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อ คุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวของคุณปูครูร้อยช่างสาธยายแล้วคุณปูเป็นลูกชายคนเดียวของคุณทวดหรือเปล่าท่านถามอย่างนึกสนุกไม่ทราบค่ะเพราะคุณปูเสียชีวิตตั้งแต่ดิฉันเป็นเด็กถ้ารู้มาก่อนว่าท่านสมพานอยากทราบดิฉันก็จะถามคุณพ่อให้ครูวรัยหกสิเศษตอบแบบประชดประชัน ใจก็นึกคิดว่าเอเสียงอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เราเคยเห็นที่ไหนหนอขอประทานโทษท่านสมพานชื่ออะไรคะหลอนถามเพราะนึกไม่ออกจริงๆว่าเคยพบพระรูปนี้ที่ไหนมาก่อนยังไม่ทันสมพานจะตอบหล่อนก็พร่งออกมาว่าจเจริญจรุนรัตใช่ไหม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 ภาพแห่งอดีตย้อนกลับมาปรากฏในมโนทวารอีกครั้งเมื่อได้มานั่งต่อหน้าจำเลยหลอนจ้องมองพระเจริญอย่างจะกินเลือดกินเนื้อดูทีรืจีวรที่นุ่งห่มขาดวิ่นมีรอยถูกไฟไหม้คงจะยังไม่หายสุกซนกระมังจึงพูดโกรธว่าท่านมาบวชก็ดีแล้ว จะได้ไม่ไปเกเรเ ก, รเกรตุงกับใครเขาอีกหากไม่มีญาติโยมนั่งอยู่หล่อนก็คงจะพูดว่าจะได้ไม่ไปเที่ยวเอาไม้แยก้นใครเขาอีกยิ่งคิดถึงความหลังความแค้นก็ยิ่งประทุ ข, ขึ้นจนแน่นในหัวอกในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าดิฉันเปลี่ยนใจแล้วจะไม่เอาหลานมาอยู่วัดนี้ ไม่อยากให้เขาต้องกลายเป็นโจรการพูดแรงๆเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแค้นแล้วจึงกลาบปลกปลกสามครั้งหันไปบอกหลานชายว่าไอ้หนูเรากลับกันเถอะจำพรรษาที่วัดกุดีทองนะ่ะดีแล้วอย่าได้มาอยู่ที่วัดนี้เลยโยมครูใจเย็นๆจะ อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อย่าเอามาคิดให้จิตเศร้าหมองไปเป ล, ปลา่าๆอาตมาก็ถูกทำโทษสมควรแก่ความผิดแล้วนี่นาอย่าผูกความโกรธไว้เลยอัตมาขออโหสิกรรมนี่ก็ตั้งใจว่าจะบวชไปจนตลอดชีวิตสมพานหนุ่มพูดหมายที่จะให้ครูหายโกรธแต่ครูร้อยช่างกลับว่าเพราะท่าน เห็นว่าไม่มีใครก็จะเอาคนเกเรเ ก, รเกรตุงไปทำลูกทำผัวตัางหากละ่ะเห็นครูโมโหพระหนมยิ่งยั่วว่าคงไม่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองกระมังเพราะบางคนไม่เกเรเ ก, รเกรตุงแต่หาคู่ครองไม่ได้ก็มีคราวนี้ครูร้อยช่างยิ่งโกรธหัวฟัดหัวเวียงรีบลุกออกไปจากที่นั่นโดยไม่ล่ำลา หลานชายที่มาด้วยลูกตามออกไปโดยไม่รู้อินโนอินเนป้าของเขาชอบทำอะไรแผลงๆแบบนี้เป็นประจำนี่หากไม่เกรงใจว่าเป็นพี่สาวคนเดียวของบิดาก็คงจะเลิกคบไปนานแล้วนั่นครูของสมพานแล้วจ๊ะนางแต้มถามขึ้นถูกแล้ว้ะโยมครูของอาตมาเขาขี้มโมโหอย่างนี้เอง ใจจริงไม่มีอะไรหรอกท่านรีบพูดกลบเกลื่อนท่านไปทำอะไรเหตุแกเขาล่ะดูถ่าทางแกยังไม่หายโกรธเลยคราวนี้คนถามคือนางเชม่ม <classical> <LO VE> ก็อย่ากแกเล่นตามระษาเด็กสนน네่ะโยมไม่นึกว่าแกจะโกรธยั่งยืนอย่างนี้ อาตมาถูกครูใหญ่ลงโทษสาสมกับความผิดแล้วลงโทษอย่างไรครับเขี่ยนกิโลเนนเฉลียวถามไม่ได้ถูกเขี่ยนหรอกแค่ถูกไล่ออกถึงกับไล่ออกเฉลยครับท่านสมพาน์ไปแย่อะไรโ ย, ยมครูคนนั้นละครับเอาเถอะอย่าไปสนใจเรื่องในอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึง สนใจเรื่องปัจจุบันดีกว่าเมื่อกี้โยมถามว่าการทำบุญสิบแบบมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่จ้ะอิชันเป็นคนถามเองนางโถตอบนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีอัตมาจะอธิบายให้ฟังเรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะว่าชาวพุทธเรามักจะเข้าใจกันว่าการทำบุญนั้นอนะต้องถวายสังฆทาน ทอดผ้าปา่าทอดกรถิ่นสร้างโบสถ์สร้างศาลาคือไปคิดว่าต้องเสียเงินถึงจะได้บุญความจริงแล้วน่ะการทําบุญไม่ต้องเสียเงินก็ได้อัตมาจะบอกวิธีการทําบุญสิบแบบที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบและโยมพิจารณาเองก็แล้วกันว่าแบบไหนต้องเสียเงินแบบไหนไม่ต้องเสียเงิน การทำบุญแบบไม่ต้องเสียเงินมีเหรอจ๊ะนางแต้มถามนางเข้าใจว่าถ้าไม่เสียเงินก็ไม่ได้บุญมีสิแล้วก็ได้บุญมากกว่าแบบเสียเงินอีกด้วยพระเจริญตอบแล้วท่านจึงอธิบายว่าบุญกิริยาวัตถุสิบก็ได้แก่ทานามายัยคือการทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ การสร้างโบสถ์สร้างสันลาจะสร้างกี่หลังทอดผ้าป่าทอดกรถินสักร้อยครั้งก็เป็นทานาไมได้บุญน้อยกว่าข้อศิลไมซึ่งเป็นการทำบุญด้การรักษาศีลโยมสร้างโบสถ์สิบหลังแต่ไม่มีศีลเลยก็ได้บุญน้อยกว่าการถือศีลแต่ไม่เคยสร้างโบสถ์การถือศีลเนี่ยได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์อีกหรอครับ อุบาสกถามถูกแล้วแล้วก็ได้บุญมากกว่าการถือศีลคือเจริญภาวนาที่เรียกว่าภาวนามัยโยมมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยก็จัดเป็นภาวนามหม่ได้บุญมากกว่าการรักษาศีลแปลว่าผมไม่ต้องรักษาศีลแต่มาเจริญภาวนาได้บุญมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่โยมจะเจริญภาวนาไม่ได้ หากไม่มีศีลเป็นพื้นฐานต้องรักษาศีลด้วยอย่างโยมมาปฏิบัติเนี่ยโยมก็ต้องสมาทานอุโบสถศีลใช่ไหมก็เท่ากับโยมได้ทำบุญถึงสองอย่างคือทั้งศีลไมและภาวนาไมาจึงได้บุญมากกว่าการรักษาศีลเท่านั้นแล้วแบบที่สีละจ๊ะนั่งโถถาม แบบที่สีวเรียกว่าอปัจยณะใหม่คือการมีสัมมาคารวะต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมยกตัวอย่างเด็กที่พ่อแม่อบรมมาดีไปลามาไหว้เจอคนเท่าคนแก่ก็เลี่ยงทางให้เจอพระก็นมัสการเพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้วส่วนญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่ครูอาจารย์ล้มหายตายจากอาจคิดว่าทำแบบนี้ไม่ได้ทำได้นะการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นอัยเจยนะใหม่แม่อิชันกำลังจะเรียนท่านสมพานอยู่พอดีว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ของอิชันพากันตายหมดแล้วอิชันคงทำบุญแบบนี้ไม่ได้ เหมือนท่านสมพานจะรู้ได้ตอบให้อิชันหายข้องใจขออนุโมทนาท่านเก่งเหลือเกินสตรีอายุน้อยที่สุดพูดขึ้นหล่อนคงจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านแบบที่ห้าหละจ๊ะนางโถรีบถามเพราะเกรงจะเสียผลประโยชน์อันพึงได้จากการฟังธรรมแบบที่ห้าเรียกว่า เวี ย, ยาวัจนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายรับใช้พูดถึงเรื่องเนี้ยทำให้อัตมานึกถึงขอทานสองผัวเมียเชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสีแล้วบ้านแกอยู่ภายขวางโน่นทำไมท่านสมพานจึงนึกถึงแกละ่ะนางแต้มถามเพราะแกใจบุญนาซิ ขอทานเข้ามาได้แกแบ่งทําบุญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไปเลี้ยงลกูกเวลาวัดวามีงานแกก็ไปช่วยตัวเป็นเกลียวตาผัวช่วยตักน้ำํำยายเมียก็ช่วยล้างชามแกชอบฟังเทศด้วยนะเวลาไปบ้านโยมยายมีเทศมหาชาติแกก็มาขอทานได้แล้วก็ยังไม่ยอมไปแกจะขอฟังเทศให้จบก่อน ชาวบ้านเขารักแก่กันทุกคนพระนมเล่าความหลังยังจำภาพขอทานสองผัวเมียได้ติดตาสแสดงว่าได้บุญหลายอย่างชาติหน้าคงไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานอีกอุบาสกว่า ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าชาติเนี้ยแกก็ไม่ได้เป็นขอทานแล้วเพราะว่าลูกๆแกโตขึ้นมีการมีงานทำก็เลยไม่ให้พ่อแม่มาเป็นขอทานอีกต่อไปตอนตาผัวตายอัตามายังไปเผาศพแกเลยนิมนท์ท่านสมพานเทศเรื่องการทำบุญต่อเธอจะคนกลัวเสียผลประโยชน์เรียบนิมนต์ ถึงข้อไหนแล้วละโยมขอ้อห้าจ้ะนางตอบข้อหกหรือข้อหกเรียกว่าปฏิทานนัไมบุญสำเร็จด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้ผู้อื่นเช่นว่าโยมมาทำบุญที่วัดพอกลับไปบ้านโยมก็บอกลูกหลานว่าอย่าเอาบุญมาฝากปู่เอาบุญมาฝากหรือว่าโยมอุทิศ ไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นบุพการีก็ดีมิตรสหายหรือเจ้ากรรมในเวรก็ดีเรียกว่าปัติธทานามไยแต่ถ้าคนอื่นเขาไปทำบุญมาแล้วแบ่งให้เราเช่นบอกว่าฉันไปเข้ากรรมฐานเอาบุญมาฝากจ้ะเราก็ยกมือขึ้นสาธุอนโมธนาบุญกับเขาเราก็ได้บุญเรียกว่า ปัตตาโุโมธนาไมเป็นข้อที่7ส่วนข้อที่8กับข้อที่9คือธรมัสวัณนาไมและธรรมเทศนามัมโยมฟังอาตมาเทศโยมก็ได้บุญอาตมาเทศให้โยมฟังอาตมาก็ได้บุญเพราะธรรมะสวัณนาไมก็คือบุญสำเร็จได้การฟังธรรมส่วนธรรมเทศนามัมนั้น คือบุญสำเร็จได้การสั่งสอนทำงั้นพระก็ได้โปรดโยมตรงที่สามารถทำบุญแบบที่9ก้าได้แต่ว่าโยมทำได้แค่แบบที่แดอย่างนั้นใช่ไหมครับอุบาสกกังขาทั้งพระทั้งโยมสามารถทำบุญแบบที่แดแล้วก็แบบที่9ก้าได้ก็เวลาที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยนะ พอกลับไปบ้านก็ไปสอนลูกหลานให้เดินจงกรมให้นั่งภาวนาก็จัดเป็นธรรมเทศนาไหมหรือว่าสอนให้เขาละเว้นจากการทำชั่วสอนให้ทำความดีก็เข้าขายแบบที่เก้าแล้วทำไมจะทำไม่ได้นิมนต์ต่อข้อสุดท้ายเลยจ้ะนั่งโถนิมนต์อีก ข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้บุญมากที่สุดข้อนี้มีชื่อว่าทิฏฐุชุกรังคือบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงซึ่งก็คือการสร้างสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นชอบให้เกิดขึ้นในตนเพราะถ้ามีข้อสิบแล้วข้ออื่นๆตั้งแต่หนึ่งถึง9กก็จะตามมาแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ข้อหนึ่งถึงเก้าก็ไม่มีจริงไหมจริงจ้ะจริงครับทั้งโยมหญิงโยมชายตอบพร้อมกันเอาละทีนี้อาตมาก็จะตั้งคำถามโยมช่วยตอบหน่อยนะอาตมาถามว่าการทำบุญทั้งสิบแบบนี้ถ้าแบ่งอย่างกว้างๆออกเป็นสามแบบคือทานาไม ศิ ล, มล า, ามัยและภาวนาไม่แล้วก็เอาเจ็ดข้อที่เหลือสมเคราะห์เข้าในสามข้อนี้โยมลองช่วยกันคิดซิว่าข้อสี่ถึงข้อสิจะสมเคราะห์เข้าข้อใดบ้างอิชันจำชื่อไม่ได้แล้วเรียกเป็นข้อข้อดีกว่านะอิชันว่าข้อสี่กับข้อหสมเคราะห์เข้าในข้อสอง คือศิลามัยข้อหข้อเจสงเคราะห์เข้าในข้อที่หนึ่งคือทานามัยข้อ8ข้อเกจัดเข้าในข้อที่สาคือภาวนามัยส่วนข้อสุดท้ายอิชันว่าเข้าได้ทั้งสขอ้อนางโถตอบมิเสียแรงที่สนใจฟังด้วยว่านางเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แม้จะจำชื่อไม่ได้หมดทุกข้อก็ตามโยมแต้มละ่ะเห็นด้วยกับโยมโถไหมอีฉันไม่ทราบจ้ะจำไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ก็อีฉันไม่ได้เรียนหนังสืออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้นางแต้มแก้ตัวไกล่กล โยมโถเรียนหนังสือหรือเปล่าท่านถามนางโถไม่ได้เรียนจะ้ะอีเชนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนนางแแบบเขานั่นละจะ้ะอีเชนก็ไม่ได้เรียนนางแช่มตอบทั้งที่สมภารยังไม่ได้ถามนางกลัวจะถูกถามนั่นเองเอาละเป็นอันว่าที่โยมโถตอบมานั้นนะ่ะถูกต้องทุกอย่าง ทีนี่ญาติโยมก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปแถมยังได้บุญมากกว่าคนมักเข้าใจผิดกันว่าทำบุญต้องใช้เงินก็เลยกลายเป็นซื้อบุญไปนั่นสิครับผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเราสามารถทำบุญได้โดยไม่ต้องใช้เงินนี่ถ้าท่านสมภารไม่ชี้แจงพวกผมคงยังไม่ทราบเพราะ ไม่มีพระรูปไหนสอนอย่างนี้มาก่อนมีแต่ท่านบอกบุญโยมทอดผ้าป่าสิทอดกะถินสิจะได้บุญได้อานิสงส์คือท่านสอนแค่ทานะไมยส่วนอีกเก้าข้อท่านไม่สอนถึงสมภารองก่อนท่านก็ไม่เคยสอนอุบาสกพูดพาดพิงไปถึงสมภารที่มรณภาพไปแล้วโยม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 ท่านสอนไว้เป็นคำสอนครองจองกันว่าอย่าข้ามคนล้มอย่าข่มคนรู้อย่าขูคนกล้าอย่าท้าคนพาลอย่าวานคนร้ายอย่าขายคนรักอย่ากักคนรีบอย่าบีบคนบอบอย่าชอบคนชั่วอย่ายั่วคนดีอย่าตีคนตายจำได้แล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติ ไม่ล้มข้ามได้แต่คนล้มอยากข้ามแม่ชีรูปหนึ่งเดินเข้าประตูมาญาติโยมพากันเลี่ยงทางโดยไม่ต้องให้สมภารบอกกราบเบญจังขปรปดิจัมพครั้งแล้วแม่ชีจึงพูดขึ้นว่าฉันชื่อก้อนทองจากจะมาขออยู่วัดนี้มาจากไหนละโยมอยู่ที่วัดไหน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 ฉันมาก็เห็นต้นพิกุล จ, จริงๆขอให้ฉันอยู่เธอนะท่านแม่ชีวัยแปดสิบเศษขออนุญาตหลังจากเล่าให้ท่านฟังแล้วเอาเถอะไหนๆก็เป็นคำสั่งของเทวดาอัตมาเป็นมนุษย์หรือจะยบังอาจไปขัดขืนสมภารวัดป่ามะม่วงพูดยิ้มๆญาติโยมที่นั่งนัที่นั้นต่างพากันอยากรู้ว่า เทวดาหน้าตาเป็นอย่างไร